จะอยู่ในโลกชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องจากไปควณศึกษาว่าเราเป็นใครชีวิตเริ่มต้นจากไหนเมื่อถึงคราจากไป จะได้ไม่เสียดายชีวะชีวิตต้องเรียนรู้สแสวงหาเพื่อพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง ความรู้อันยิ่งใหญ่คงมวลมนุษย์ทุกๆคนเริ่มต้นหยุดใจไว้บนเส้นทางสายกลางจะพบความสว่างอยู่ในศูนย์กลางกลาง ความเชื่อหลากหลายเมื่อเกาถึงธรรมกายสุดท้ายจะรู้ว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน เปลือเกเาศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์ทุกทกคนเริ่มต้นหยุดใจไว้บนเส้น ทางสายกลาจะพบความสวา่างอยู่ในศูนย์กลางกายแม้มีความเชื่อหลากลาย เ, เ, าเมื่อเข้าถึงธรรมกายสุดท้ายจะรู้ว่าเป็นพี่น้องท้องเดียวกัน